บุกทูหกสิบชาตที่ธนาคารดาร์บอนก์ผมต้องการเปิดบัญชีมมนมีขอห้ามย่เฉ่ยอบบอสกนม น, นี่คือหนังสือเดินทางของผม این پاسپورت من است. لنیتی یو خोंग ผม و این آدرس من است. ผมต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของผม من می خواهم پول به حسابم واریز کنم. ผมต้องการถอนเงินจากบัญชีของผม من می خواهم از حسابم پول برداشت کنم. ผมต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชีมันมีขอหามโจูดียเซอบแมรีรมผมต้องการแลกเช็คเดินทางมันมีขอหามเกเช็คโมซ่าเฟราทินคนมค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับมาบลาเกคอร์มูสเชกดรัสผมต้องเซ็นชื่อที่ไหนครับ โคจรเราประหยัดเอ็มจอคนผมกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันมันมอนทาร์เซเดเยจฮาวเลียบอนคีอัมนันนี่คือเลขที่บัญชีของผมอินชูมาเรเฮซอบาเมเงินเข้าหรือย oh, ังครับพูลเรซิดาสผมต้องการแลกเงิน من میخوام ه این پول را به ارز دیگری تبدیل نمایم. من تونگان گن دلار سهارات. من به دلار آ م ر ی ک ا ن ی از دارم. گرنا گو بانگ یوی کرپ. ل ط د ف ن ا س ک ن ا س های ریز به من به دهی. تی نی می تو ATM مای کرپ. آیا اینجا دستگاه آبربانک وجود دارد؟ สามารถถอนเงินได้เท่าไหร่ครับใชบ้ชบัตรเครดิตอะไรได้บ้างครับ کدام มการ های اعتباری را می توان استفاده کرد กรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด